บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในธาตุปะภะคืมบวดในิ่า ด, ด้วยธาตุทั้งสี่ประการนั้นในส่วนอาโปธาตุคือธาตุน้ำก็ทรงอาศัยธาตุนี้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาไว้ โดยระดับต่างๆทางชั้นการปรับชีวิตโดยอาศัยบทเรียนจากน้ำเป็นหลักจนถึงกับการศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีความเป็นสัตว์เป็นชีวะอยู่โดยสภาวะอันแท้จริงจะมีอยู่ก็เพียงแต่ขั้นของการสมุติปัญญัติเท่านั้นเพื่อช่วยให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติสามารถอาศัยประโยชน์จากน้ำในแง่ที่ปรับเข้ามาใช้เป็นหลักของธรรมะระดับหนึ่งแล้อาศัยประโยชน์จากน้ำในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเป็นอีกระดับหนึ่งเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงบทเรียนจากน้ำในแง่ของพัฒนาการแห่งชีวิตโดยท่านแสดงองค์ของน้ำไว้ว่าข้อแรกน้ำนั้น โดยสภาพแล้วก็เป็นของที่สะอาดโดยสภาพซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ก็ทรงแสดงเปรียบเทียบถึงการที่บุคคลบางคนมีกายมีวาจาที่สะอาดไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะละเมิดกฎเกณฑ์ระเบียบบแบแผนต่างๆ พวกกุมอาการที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาไว้โดยกฎแห่งศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้อาการที่แสดงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็จะยุติด้วยเวรด้วยภยัยไม่สร้างเหตุแห่งเวรแห่งภยัยซึ่งเป็นปัจจัยนำความทุกข์ความเดือดร้อน มาสู่ตนเองและบุคคลอื่นก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในแต่ละจุดของสังคมเพื่อเริ่มจากครอบครัวเป็นต้นไปดังนั้นข้อปฏิบัติในชั้นศีลจึงถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ต้องการจะขัดเกลวความรุนแรงของกิเลสทั้งสามกองใหญ่ๆคือความโลภโกรธโทรเพราะการที่บุคคลประพฤติละเมิด ร่วงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นพึงสังเกตว่าล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันอย่างรุนแรงของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นชั้นของศีลจึงเป็นชั้นของการปิดกัน้นความรุนแรงแห่งกิเลสเหล่านั้นไว้ถึงแม้จะยังมีอยู่ก็ให้มีอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงออกจนเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นดังกล่าว ประการที่สองนั้นน้ามีปกติมีความเย็นโดยสภาพไม่ว่าน้าอะไรก็ตามจะพบ ว, ว่าโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วก็เป็นธาตุแห่งความเย็นผู้คนเราก็เหมือนกันโดยพื้นอธยาสายจิตใจแล้วก็วอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่จิตต้องเศร้าหมองไป พระอุปกิเลสที่จอดมาซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าโดยผวังขจิตคือจิตที่อยู่ในผวังแล้วก็ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอํานาจของอกุศลแต่ประการใดความเศร้าหมองแห่งใจที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล น, นั้นเพระาะสายอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคันตุ ก, กะหรือเป็นแขกเข้ามาเยือน จะครอบงามจิตใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลไปในลักษณะต่างๆตามประเภทแห่งกิเลสเท่านั้นคุณธรรมที่จะนำให้เกิดความเยือกเจ็นขึ้นภายในใจกระทรงแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นมากเฉพาะในที่นี้ท่านยกเอาเมตตาซึ่งแปลว่าความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสสายโทสะที่เริ่มต้นด้วยความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความไม่ชอบความชิงชังความโกรธความปทตุสไรความอาฆาตความพยาบาทเป็นต้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงชื่อเหล่านั้นเป็นเพียงอาการของกิเลสสายโทสะเท่านั้นจนเรียกให้แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความรุนแรงของกิเลสสายนี้ที่ไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าตลอดสายนั้นก็เป็นเรื่องของโทสะทั้งหมดมเมตตาจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่สงบกิเลสประเภทนี้ซึ่งมีสภาพเป็นความร้อนส่วนเมตตามีลักษณะแห่งความเยือกเย็นเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะทําให้จิตใจของบุคคลมีความสงบมีความเยือกเย็นเมตตาจึงทรงสแสดงไว้ โดยอเนกเกสรใยายและถือว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเป็นตัวธรรมที่หล่อเลี้ยงโลกและสังคมเอาไว้เพราะถ้าหากพยายามใดก็ตามบุคคลภายในสังคมขาดเมตตาจิตต่อกันแล้วการมองกันในลักษณะที่เรียกว่ามิเกศรรัญญีคือเป็นเนื้อเป็นสัตว์ที่จะต้องเข็นฆ่าที่จะต้องล่าที่จะต้องทำลายก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมตตาจิตบังเกิดขึ้นภายในจิต จิตใจของบุคคลแล้วจะเริ่มสร้างความสงบเย็นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นปริมาณของเมตตาก็จะเผื่อแพ่ออกไปนอกจากจะย้อนกลับเข้าไปคุมศีลให้มีความปกติดีงามมากยิ่งขึ้นแล้วยังกลายเป็นองค์ธรรมะในระดับต่างๆเช่นเป็นพรหมวิหารธรรมเป็นอัปปมัญญาและเป็นเมตตากรรมฐานเป็นต้น ซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือจิตของบุคคลที่หลุดพ้นจากกำนาจของความโกรธความพยาบาทเป็นต้นโดยอาศัยเมตตาเป็นฐานใจนั้นเมื่อบุคคลสามารถให้บังเกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งซึ่งใช้คำว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือจ้างปลผูงูแลบลิ้นก็เป็นธรรมที่มีผลมีอนิสงมาก เนื่องจากจะกอบคือเชื้อของความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและเมื่อกระทาให้เกิดขึ้นได้ไบ่อยความเยือกเย็นก็จะปรากฏขึ้นแก่จิตได้ไปบ่อยธรรมประการต่อไปก็คือเรื่องของขันติที่แปลว่าความอดทนความอดกลั้นความทนทานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกซึ่งอาจจะเป็นความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติหรืออาจจะเกิดขึ้น จากการกระทําของบุคคลอื่นสัตว์อื่นจะเกิดขึ้นประทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายโรคภัยไข้เจ็บและอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจการงานและเกิดขึ้นจากการเสียดแทงการด่าว่าการสบประมาทดูหมิ่นของบุคคลอื่นก็ตางกันติจะมีจะทําหน้าที่เป็นตัวอดกั้นทนทานต่ออารมณ์ที่มากระทบเรานั่นไม่แสดงอาการหวั่นไหวให้ปรากฏออกมา ขันติจึงกลายเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นกําลังของผู้ภาคเปลี่ยนเป็นตบะของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขันตินี้นี้อยู่ในบุคคลใดก็ตามจะทําให้จิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นที่ก่อให้เกิดเป็นความรักและเป็นความจังซึ่งใช้คําว่าอภิชาและโทมนัต คือเพิ่มกิเลสสายโลภะและสายโทสะในชีวิตประจาวันของบุคคล น, นั้นก็เพราะอาศัยความอ่อนแอในด้านจิตใจเมื่อจิตใจอ่อนแอเวลากระทบอารมณ์ภายนอกก็จะมีความอ่อนไหวไปและอารมณ์ที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลมากที่สุดคือชอบกับไม่ชอบหรือรักกับชังถ้าหากว่าชอบก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นตลอดสายที่ใช้คำว่าอาภิชา าหากว่าชังหรือไม่ชอบก็จะเพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นตลอดสายเหมือนกันที่ท่านใช้ในสติปัฏฐานสูตรว่าโทมนันต์แต่ถ้าหากว่าฐานใจมั่นคงด้วยธรรมะคือขันติแล้วเมื่อมั่นคงก็ไม่หวั่นไหวไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งลักษณะของความมั่นคงในวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปวัตถุพอจะเป็นตัวอย่างได้ดียังความมั่นคงของเสาเกื่อน ความมั่นคงของผูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อการโยคลอนที่เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลอื่นฉันใดจิตใจของบุคคลที่อาศัยธรรมะคือขันติเป็นตัวสร้างให้มีความเข้มแข็งมั่นคงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเะนั้นข้อต่อไปก็คือความคือโสระจะได้แก่ความสงบสงเงียบเป็นธรรมะที่สืบเนื่องจากขันติซึ่งหมายความว่า เมื่อบุคคลอดทนต่อความข้าวร้าวความรุนแรงหรือความวิปริตต่างๆได้แล้วไม่ได้เก็บความรู้สึกขุนเคืองคับแคนไว้ภายในใจแต่สามารถสลัดทิ้งไปได้โดยรักษาอาการกริยาทางกายทางวาาิชาซึ่งปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นและความการรับรู้ของบุคคลอื่นเอาไว้ให้เป็นปกติที่น่านแปลว่าเป็นสสรจักคือสงบเสงี่ยม ไม่มีความวิปลาดออกมาทางกายกับทางวาจาซึ่งก็หมายความว่าความรุนแรงแห่งกิเลสนั้นได้ถูกบทรทอนลงไปได้ถูกสงบระงับดับลงไปแล้วแสดงออกมาได้เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งคืออวิหิงสาได้เกิดความไม่เบียดเบียนคือไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงแสดงไว้ว่าอภิยาประชังสุขขังโลกเกปานภูเตสุสัญญโม ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีการเคารพสิทธิหน้าที่ไม่ละเมิดต่อสวัสดิภาพทั้งร่างกายทางทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นต้นว่าเป็นความสุขในโลกดังนี้และเมื่อธรรมะเหล่านี้เป็นฐานใจอยู่ภายในบุคคลใดก็ตามความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นเบื้องต้น และบุคคลผู้นั้นจะสัมผัสความสงบเย็นเป็นคนแรกอาการที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาก็จะไม่สร้างความเร่าร้อนให้แก่บุคคลอื่นเหมือนกับสิ่งอะไรก็ตามที่เย็นอยู่โดยสภาพเช่นน้ำแข็งเป็นต้นเวลาคนอื่นไปแตะต้องไปเข้าใกล้ก็จะกระจายกระแสของความเย็นนั้นเข้าสัมผัสบุคคลนั้นด้วยจิตใจของบุคคลที่มีหลักธรรมดังกล่าวแล้วก็เป็นเช่นนั้น นอกจากจะเย็นด้วยตัวเองแล้วทำให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องควบหามีความเยือกเย็นตามไปด้วยมีความสุขความสงบรู้สึกปลอดเบนปลอดภัยเกิดขึ้นเวลาเข้าใกล้บุคคลเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะกระแสะแห่งธรรมะได้แผ่เข้าไปสัมผัสจิตใจของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองประการที่สนั้นนาเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลาย ก้อ น, นี้ก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปว่าบางครั้งบางคราเราอาจจะขาดอาหารอย่างอื่นได้แต่เราก็ขาดน้ำไม่ได้ชีวิตของบุคคลผูกพันอยู่กับน้าตลอดเวลาและในร่างกายของเราก็ดูเหมือนว่าน้ำจะมีปริมาณมากที่สุดโดยจำไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าน้ำเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายชนใดคุณธรรมทั้งหลายมีความเป็นผู้สันโดษ ความยินดีในความสงบการหลีกเล่นออกจากความวุ่นวายความสับสน ต, ต่างๆย่อมเป็นที่ยินดีเป็นที่ปรารถนาของบุคคลเช่นเดียวกันเช่นั้นธรรมะเหล่านั้นก็คือหลักใหญ่ในทางาศาสนาที่เริ่มต้นด้วยสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้ยินดีตามกําลังของตนยินดีในสน่วนในสิ่งที่ตนได้มา และยินดีตามความเหมาะความควรแก่ฐานานุรูปแห่งตนซึ่งทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบรมธรรมคือเป็นยอดเป็นบรมทรัพย์หรือเป็นยอดแห่งทรัพย์ทั้งหลายทําไมจึงถือว่าเป็นยอดแห่งทรัพย์เพราะครรมทรัพย์นั้นแปลว่าวัตถุที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจถ้าหากาบุคคลมีสิ่งใดอยู่แล้วก็ทําใจให้ยินดีได้ในสิ่งนั้น ไม่ไขวยคว้าปร า, าปรถนาสิ่งอื่นนอกไปจากนั้นในขณะนั้นเช่นรับประทานอาหารอยู่ในโต๊ะมีอาหารอย่างไรก็ยินดีเฉพาะอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นไม่ยินดีอาหารนอกไปจากนั้นก็จะรับประทานอาหารได้อย่างปกติอิ่มหนำสำราญดีแต่ถ้าหากว่าใจเกิดเอื้อมเกินโต๊ะออกไปไปข้าวตามพัตตาคารไปตามครับไปตามสถานที่ต่างๆแล้วอาหารบนโต๊ะจะไม่ รู้สึกเป็นที่พอใจของบุคคลผู้นัน้นการรับประทานอาหารก็จะมีแต่ปฏิกะมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบังเกิดขึ้นเป็นต้นและแม้ในการประกอบภารกิจการงานต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าผู้บุคคลยินดีได้ตามกําลังของตัวเองก็จะเกิดความภาคภูมิความสงบใจขึ้นหลังจากได้ใช้ความเพียรพยายามไปแล้วการซื้อหาจับจ่ายบริโภคก็ยินดีตามเหมาะตามควร ก, ก่อให้เกิดเป็นความยึกเย็นความสบายแก่บุคคลผู้นั้นประการต่อไปก็คือเรื่องของวิเวกได้ แ, แก่การยินดีในวิเวก ค, ความสงัดเงียบหรือความสงบต่างๆจึงจะพบว่าเป็นแรงปรารถนาของบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามต้องการความสงบไม่ต้องการความมุดวายความสับสนด้วยประการต่างๆ มาอยู่ในเหตุการณ์ใดในสถานที่ใดถ้าวุ่นวายมากบางทีก็วิ่งหนีแม้แต่คนซึ่งไม่มีพื้นความต้องการความยินดีในธรรมะอยู่แต่ถ้าหากว่าสถานที่ใดที่วุ่นวายมากก็จะหนีจากสถานที่นั้นเพราะอะไรเพราะพื้นอัธยาศัยจริงๆของคนและของสัตว์นั้นยินดีในความสงัดเงียบยินดีในความเป็นตัวของตัวเองและยินดีที่จะ หลีกเล่นไปหาความสงบสงัดด้วยตัวของตัวเองหลักธรรมคาคือวิเวกทั้งสประการที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นก็คือกายวิเวกการที่อยู่ในที่สงัดเงียบแผงใดแห่งหนึ่งตลอดถึงความเป็นผู้มีศีลจิตวิเวกคือความสงัดแห่งจิตแต่แก่ไม่ถูกนิวรณ์ทั้ง5้าประการครอบงำและอุปธิวิเวกสงัดจากอำนาจของกิเลส จิตมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจก่อให้เกิดความสงบเย็นขึ้นซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของบุคคลทั้งหลายลักษณะของน้ำประการต่อไปก็คือทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งสกรปรกให้หมดไปสิ้นไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างที่ทรงแสดง ธรรมะออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นสวัสดิธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วมีความถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละส่วนแห่งธรรมะคือทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลและฝ่ายที่เป็นก ล, งกลางเป็นสันเลขธรรมคือทำหน้าที่ชำระล้างทำหน้าที่ขัดเกลาร์ทำหน้าที่ซักฟอกสิ่งโสกกรปุกทั้งหลายที่มีอยู่ตรงไหน มีอยู่ที่ใจของบุคคลเป็นหลักแต่ก็พร้อมจะแสดงออกมาทางกายกับทางวาจาว่าที่จริงกายกับวาจาของบุคคลนั้นไม่ได้สกรปรกด้วยอานาจของกิเลสแต่อาจจะเกิดจากแรงผลักดันของกิเลสให้บุคคลแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรทางกายกับทางวาจาได้ดังนั้นความสะอาดที่พึงประสงค์จริงๆก็คือความสะอาดในด้านจิตใจ ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมจึงมีหน้าที่โดยตรงในการชำระสนิมใจบนชินใจได้แก่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายนี่ก็คือความเป็นสันเลขธรรมแห่งธรรมะเมื่อกัดกราไปแล้วจะก่อผลออกมาเป็นอะไรก่อผลออกมาเป็นการนําคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกไปจากความสกรปรกต่างๆ จากบาปจากอากุศลต่างๆจนถึงออกจากสังสารวัฏในที่สุดผลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลที่มุ่งหมายก็คือสันติธรรมได้แก่ความสงบจากเวรภัยด้วยอำนาจแห่งศีลความสงบจากนิวรณ์ด้วยอำนาจของสมาธิและความสงบจากบัรดายเลสชาติทั้งหลายที่เรียกชื่ออย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นเอง ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแต่ละข้อเมื่อทรงแสดงฝ่ายที่เป็นกุศลขึ้นมาก็หมายความว่าถ้ากุศลเราถ้ากุศลนธรรมเหล่านั้นปรากฏขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดอกุศลซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งคือขวายตรงกันข้ามให้สงบระงับไปเจ็นเมตตาบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขัดเกลวสงบพยาบาทไว้พยาบาทกับเมตตาเป็นกิเลสคนละประเภทกัน เหมือนกระเหรี่ยนสองด้านจะปรากฏในขณะเดียวกันไม่ได้เมืม่อเมตตาปรากฏขึ้นเมตตาก็จะทาหน้าที่สงบพยาบาทกรุณาปรากฏขึ้นภายในจิตก็จะสงบความเบียดเบียนมุติตาปรากฏขึ้นก็จะสงบริษยาอุเบคาปรากฏขึ้นก็จะสงบมรรติศรัทธามันเกิดขึ้นก็จะสงบความไม่เชื่อโยนิโสมนสิการมาเกิดขึ้นก็จะสงบความลังเลสงสยัย ความสงบแห่งจิตบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบความฟุ้งซ่านแห่งจิตความเพียรพยามบังเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบความง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมในลักษณะต่างๆหรือปีติบังเกิดขึ้นในชั้นขององค์ฌานก็ทำหน้าที่สงบพยาบาทเป็นต้นซึงจะเห็นได้ว่ากุศลกับอกุศล น, นั้นให้ผลที่แตกต่างกัน เมื่อกุศลให้ผลอกุศลก็ไม่มีสิทธ์มาให้ผลในขณะนั้นเมื่อกุศลปรากฏจึงทำหน้าที่สงบบรรดาอากุศลต่างๆกุศลธรรมจึงมีลักษณะเหมือนาน้าที่มีความสะอาดแล้วบุคคลนําไปชำระล้างสิ่งต่างๆก็ทำให้สถานที่ได้สิ่งเหล่านั้นมีความสะอาดตามไปด้วย ประการสุดท้ายนั้นน้ำโดยสภาพแล้วจะไม่ทําสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นในความหมายนี้หมายถึงตูวอาโปาธาตคือาธาตุน้ําจริงๆข้อนี้จะพบว่าแม้มีอุท ก, กภัยก็ดีมีคลื่นลมก็ดีก็เป็นเรื่องการกระทําการผลักดันของสิ่งอื่นน้ําแก่อยู่โดยปกติของแกเอง การที่เกิดคลื่นเกิดลมนั้นก็เพราะความวิปริตของเงื่อนไขต่างๆแห่งธรรมชาติที่มากระแทกกระทันเอาน้ําทําให้น้ํามากเกินไปน้อยเกินไปหรือกลายเป็นคลื่นใหญ่ถลม่มทลายบุคคลอื่นเป็นต้นเป็นแรงผลักดันของสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นการกระทําของน้ำเช่นใดจิตใจของบุคคลที่มีคุณธรรมความดีเป็นหลักคุ้มครองใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นั้น โดยสภาพของใจแล้วจะต้องมุ่งกระทําในสิ่งสิ่งซึ่งเกื้อกูลและอำนวยประโยชน์แก่บุคคลอืน่นก็นี้พึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั้งหลายว่าบุตโธสุสุโธกรุณามหานันนโบพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้จัสรู้ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีพระหมหากรุณาดุดท่วงมหนันตบการนำเอาพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบว่าเป็นดุดท่วงมหานตบนั้นกวาสัยนัยยะข้อนี้คือนัยยะของนามที่ไม่สร้างหรือกระทาสิ่งซึ่งก็ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยเป็นความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นนั่นเอง พระไทยของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะกระทาสิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายเท่านั้นข้อนี้เพิ่งเห็นในบทสวดสันเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าตีทราบกันแพร่หลายซึ่งท่านใช้คำโดยสรุปว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกได้ทรงบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์แล้วเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยหน้าสัจวาจานี้เพาอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงสั จ, จความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ย้อนไปสู่อดีตการนานไกลสมัยที่เริ่มบำเพ็ญบารมีเพื่อ การสัดสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพชญานนั้นเป็นการกระทมโดยมุ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าจะถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นคืออะไรก็คือธรรมะธรรมะที่ทรงจัดสรูในคืนที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพชยานนั้นเองจึงหลังจากนั้นจึงทรงจาแนกธรรมะออกไปเป็นลำดับประโยชน์ ไว้สามชั้นด้วยกันซึ่งหมายความว่าคนทุกคนขอให้เพียงแต่มีความยินดีในธรรมบ้างเท่านั้นเองก็สามารถได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นๆประโยชน์จากธรรมะชั้นแรกก็คือประโยชน์ในปัจจุบันที่ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นในปัจจุบันนั้น ประโยชน์ต่อไปเป็นผลของการพัฒนาในด้านจิตใจมุ่งให้เกิดความสะอาดขึ้นภายในจิตมุ่งให้เกิดความสงบภายในจิตและเสริมสร้างปัญญาเป็นประชีพสองทางชีวิตแห่งบุคคลเึีงว่าที่จริงผลก็ได้รับในชาติปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนั้นยังข้ามภพข้ามชาติไปสนับสนุนตกแต่งภพชาติของบุคคลได้อีกและประโยชน์จากธรรมะ การต่อไปก็คือประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นการเรียนความจริงของธรรมชาติดังกล่าวแล้วสิ่งที่นํามาเรียนนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือดินน้ําลงไฟที่พยายามเรียนในชั้นนั้นๆแล้วก็สัมผัสประโยชน์ได้ในชั้นนั้นๆต่อเมื่อใดบุคคลเข้าใจถึงความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไร เป็นเพียงศัก์แต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาเกาะกลุ่มกันอย่งมีสัดส่วนเท่านั้นการสมมติประศาสตร์ว่าบุคคลว่าตัวตนเราเขาจึงเกิดขึ้นการที่กลายกลายเป็นพวกเราพวกเขาเป็นตัวเราตัวเขานั้นก็เกิดจากอํานาจของอุ ป, ปาทานอํานาจของกิเลสที่เข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเท่านั้นแล้วบุคคลก็สํารอกความรู้สึกเหล่านั้นออกไปก็จะเข้าถึงปรมัติประโยชน์ คือประโยชน์อย่างสูงสุดได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีลักษณะที่เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายในชั้นนั้นๆซึ่งจะใช้คำบาลีโดยสรุปว่าตามสมควรแก่ธทรรมอันบุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วเวลาสอนในชั้นของการปฏิบัติจึงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรม ตึงหมายความว่าบุคคลต้องการผลในชั้นใดในระดับใดก็น้อมนําเอาธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นๆในระดับนั้นๆมาประพฤติปฏิบตัติธรรมะก็จะทําหน้าที่เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นการเกื้อกูลของธรรมะทรงผลเป็นอย่างไรทรงผลเป็นความสุขตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลและแก่ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งแน่นอนเหลือกเกินว่า บุคคลปฏิบัติธรรมะได้ในส่วนใดธรรมะก็จะทำหน้าที่เกื้อกูลในส่วนนั้นๆอย่างตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อมีกรุณาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจกรุณาก็จะทำที่ขัดเกลาวิหิงสาออกไปจากจิตในขณะนั้นความรู้สึกเบียดเบียนจะไม่สามารถเกิดขึ้นครอบงำจิตของบุคคลได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีลักษณะเหมือนกับน้ำ คือไม่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลอื่นจานวยประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นๆโดยส่วนเดียวเท่านั้นเองปัญหาสำคัญจึงอยู่ชีว่าการศึกษาการพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กาลเทศะอารมณ์และกรณีนั้นๆธรรมะที่ท่านแสดงไว้โดยปริยายนี้ดูแล้วคล้ายๆจะไม่เป็นกรรมาฐาน แ, แท้ที่จริงก็คือกรรมฐานเพราะอะไรเพราะเป็นการงานที่บุคคลจะพึงกระทในด้านจิตใจโดยการอาศัยบทเรียนจากน้ำซึ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาทันเองแต่ก็อาศัยความรู้ความเข้าใจในสภาวะธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นก็ดึงเอาคุณลักษณะต่างๆที่มีอยู่ภายในน้ำ ภายในดินดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วก็กลับมาเป็นบทเรียนมาสอนใจตัวเองมาปรับแนวความคิดการประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำน้ำเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อ น, น้ำโดยสภาพแกเป็นเช่นนั้นได้แกมีความสะอาดได้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้าก็ควรจะมีความสะอาดได้ น้ำแกไม่เป็นพิษเป็นภัยแกใครใครเราก็ควรทำตนให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแกใครใครน้ำเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายเราก็ควรจะทำตนให้เป็นที่รักใคร่ปรารถนายินดีใคร่ที่จะคบหาสมาคมนั่งใกล้สนทนาการของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นซึ่งการศึกษาในแนวนี้จะทำให้บุคคลมองเห็นว่าแต่ที่จริงแล้วครูนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง ขอเพียงแต่บุคคลมีหลักของธรรมะวิจัยคือการวิจัยการสอดส่องธรรมะเท่านั้นสิ่งที่จะประสิทธิ์ประสั์ความรู้ให้แก่ตนก็มีอยู่ในที่นั้นนั้นแล้วและสามารถที่จะมองในแง่ในมุมนั้นๆมาเป็นอนุสติเตือนใจตนเองสอนตนเองได้บทเรียนจากธรรมะจึงกลายเป็นบทเรียนที่ อำนวยประโยชน์และความสุขให้เกิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าถึงแก่ผู้ที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป